การเกี่ยวเนื่องกันกับเมื่อกี้เรื่องอาจินไตนะครับคือผมอ่านหนังสือแล้วผมผมคล่องใจมากไม่รู้จะถามใครครับาาท่านอาจารย์บอกว่าไม่ควรจะรู้อย่างเรื่องพะอาลาัตนธาตุเนี่ยถึงมาเกี่ยวเกี่ยวพันกับทางศาสนาพทุทธอย่างไรทั้งสังเกตจากครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระาาราติเจ้าญาติพุคคลเนี่ยท่านจะเป็นเป็นพระธาตุเป็นอารัตนธาตุเป็นประาธ า, ารตราธุากันนะครับคือท่านบอกว่าเป็นอาจินไตท่านจะลงได้คํานี้ทั้งนั้น คำว่าคำว่าพระธาตุเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้หมดเลยไม่ใช่สอนก็ไม่ให้รู้ขนาดของพระธาตุเป็นอย่างไรก็ทรงกล่าวไว้ในชั้นคําสอนอัจฉริยะนะฉะนั้นอันนี้ไม่เรียกว่าไ ม, ไม่เรียกว่าอาจินตยแต่ถ้าพุทธญาณ น, น่ยเป็นอาจินตยใช่ไหมแต่ถ้าถามบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของพระธาตุทั้งหลายเนี่ย โดยส่วนใหญ่ก็คือว่าเป็นพระา ธ, ธาตุาของพาระพุทธเจ้าเป็นพระธาตุของพระลาหน์อย่างนี้นะแต่ถ้าระดับในชั้นหลังๆอันนี้มาไม่แน่ใจยังนะไม่แน่ใจเพราะไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่ต้องการสันนิฐานเลยเพราะถ้าสันนิฐานไปไม่เป็นเหตุกลัวเป็นเหตุแห่งการแตกแยกกลัวเป็นเหตุแห่งการแตกแยกนั้นมาจึงไม่ค่อยเอามาประเด็นในยุค ป, ปัจจุบันนั้นเอามากล่าว นะมันจะไปกระทบกระเทือนความเชื่อของคนไปแต่แต่ถ้าถามว่าพระาธาตุรู้ได้ในคำสอนบอกมันบอกไว้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะจะบอกไว้ชัดเจนซึ่งซึ่งถ้าคนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธารมกถาและดีกาก็จะไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาในเรื่องนี้ก็จะเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าในกรณีอย่างนี้ ซึ่งเราก็เห็นอยู่ซึ่งเราก็เห็นว่าของพระเจ้าเป็นอย่างไรและของสาวของพระเจ้าที่เป็นพระอาหารทั้งหลายหมายถึงพระอาหารที่ในชั้นคําในยุคสองวันกว่าปีเนียือนบอนไม่ใช่ว่ายุคหลังแต่ยุคหลังนี้อามาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันเมื่อไม่มีหลักฐานยืนยันเบ็ดเสร็จถ้าไปกล่าวไปก็ไปขัดคําสอนนี่นั่นฉะนั้นถ้าเอาเรื่องตัวบุคคลมากล่าว ก็ไม่ไม่ดีมันจะขัดหลักการซึ่งเรานั้นน่ยต้องยึดตามคําสอนในวัดไรวีดกัณฑคถาดีกาก็จะก็จะสมบูรณ์แบบแต่ถ้ามาเป็นตํำราแต่งขึ้นเขียนขึ้นโดยบุคคลนั้นโดยบุคคลนี้ก็ยังต้องถกกันอีกนานเลยแล้วก็ไม่เป็นไปแห่งความเป็นที่ตั้งของศรัทธาก็เดี๋ยวหนักเข้าหนักเข้าจะเป็นที่ตั้งของความงมงายไปนั้นตรงนี้ก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะว่าพูดตรงนี้เนี่ย ครับผมกับเรียนฐานท่านพระอาจารย์ครับมีคําถามนี่ว่าการที่พระสงฆ์ประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์แล้วประกาศทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับอย่างนี้ทางในฐานะฆราวาสบุตรชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรว่ามีอะไรรับรองครับก็คืออย่างนี้นะว่าในชั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระวินัยกาหนดไว้ ว่เป็นพระเนี่ ย, ยจะมีสิกขาบทจะมีสิกขาบทกำกับไว้ว่าไม่ให้พูดจะไม่ให้พูดเหตุที่ไม่ให้พูดเพราะจะปรับอบัตทั้งหนักและเบารองรับไว้หมดเลยสมมุติถ้าไม่เป็นไปประกาศว่าเป็นจะเล่นอบัตหนักหรือ ถ้าสมมุติเป็นแล้วไปบอกว่าเป็นปับอาบัติเบาสรุปแล้วก็คือว่าถ้าพราะลาหนท่านจกไม่ละเมิดศกขาบททีนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็ต้องพูดให้ละเอียดพูดให้ละเอียดก็คือว่าทำไมพระองค์จึงกล่าวอย่างนี้ไว้เพราะพระสงค์เห็นอนาคตถ้าถามว่า บุคคลที่บรรลุแทงตลอดแล้วประกาศจะเป็นเหตุให้คนเข้าใจผิดว่าบรรลุแล้วต้องประกาศเมื่อบรรลุต้องประกาศเป็นการหักปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระหลานตาเจ้าทั้งหลายซึ่งท่านไม่ทำแบบนี้เป็นเหตุให้พระมากน้อยสันโดษทั้งหลายอยู่ลำบากพระองค์ป้องกันพระที่ปราถนา แบบนี้ก็จักมาครอบงําสังคมไทยสังคมบริษัทของพระองค์ก็ปั่นป่วดฉะนั้นพระองค์เห็นภัยตรงนี้จึงประกาศห้ามจะทําให้คนเข้าใจปฏิปทาของพระอริยะผิดพลาดว่าพระอริยะต้องทําอย่างนี้โดยเฉพาะอยู่ในฐานะพระฉะนั้นพระองค์จึงวางหลักไว้ละเอียดยิบเลยซึ่งไม่เป็นผลดี ต่อการประกาศคำสอนเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมหาโจนประเภทที่ห้าพูดอย่างนั้นเลยในพระวินัยยปิดกเล่มแรกเลยบอกไ ว, ว้แล้วแล้วมีมีคนมาถามผมบ่อยๆว่าบรรลุธรรมนี่คืออะไรอ๋อเยนบนครับ ก็คือพระรัชยาตรัสว่าคําว่าบรรลุเนี่ยท่านนับตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปเหมือนพระอัญญาโกนธัญะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้แปลว่าเห็นความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งและของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวาิญญาณของตาหูจมูกเล่นกายใจว่าคําว่าธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาแบบเลื่อยเปื่อยนะ แต่เห็นความเป็นธรรมดาของกรรมและผลของกรรมเห็นความเป็นธรรมดาของกระแสชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแ ป, ปลงเป็นไปตามลําดับและในที่สุดจริงๆก็คือเมื่อขจัดกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้จนย่อเหลือเพียงแค่ไม่เกินเจดชาติได้แล้วนั่นแหละเขาเรียกเห็นความเป็นธรรมดาของสภรสิง่งแล้วอันนี้แปลว่าท่านได้บรรลุธรรมเริ่มตั้งแต่เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้น